มารู้จักอาจารย์ท่านหนึ่งกเกษียณไปได้หลายปีแล้วอันท่านเคยรล่ยฟังว่าเมื่อวันสามสิบสี่สิบปีที่แล้วนะไปเรียนทำปริญญาเอกที่ประเทศอเมริกาช่วงนั้นเนี่ยก็มีพระธิเบต ร, ร่วมหนึ่งได้รับนิมนต์จาก ท, าาท้ามอทไลให้มาแสดงธรรม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 เชิญเกี่ยมทุงปะนะแต่รักษาสี่สิบปีที่แล้วไม่ค่อยมีคนรู้จักนี่ Bronx, พอนิมนต์พระธิเบตมาํามาเลไหร่ก็มาติดต่อให้อาจารย์ท่านนี้ซึ่งตอนนับเป็นทศกษาปริญญาเอกเนี่ยไปช่วยเป็นอุปถาคหน่อยเพราะเห็นว่าเป็นคนเอเชียด้วยกันคงจะเข้าใจกันดีที่จิงอาจารย์ท่านนั้นนี่เป็นเป็นคริสนะ แต่ท่านก็นใจกว้างก็ไปช่วยเป็นอุปถากนะดูแลต้อนรับพระทิเบตท่านนี้ประมาณสัก3าสี่วันจากการที่ได้ใกล้ชิดกับพระทิเบตท่านนี้ก็เริ่มใสนะในปฏิปทาเนื่องาะความสงบของท่านสงบแบบผ่อนคลายนะไม่เคร่งเครียด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 เสียงดังไม่เป็นไรถ้าเป็นเสียงที่ชอบเสียงดนตรีเสียงบัลเลงกระหึมนะคนที่ชอบเสียงดนตรีหรือแม้แต่เสียงแบบวงดนตรีที่เล่นแบบ Heavy เฮฟบี้เนี่ยก็จะไม่รู้สึกเลยนะว่ามันดังเวลาได้ฟังเสียงแบบนี้ไม่รู้สึกเลยว่า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 เพว่าคิดฟุ้งซ่านห่วงบ้านกลัวกลัวนัน่นกลัวนี่วิตกกังวลนะรอบตัวนี้สงบสงัดแต่ว่าใจไม่สงบเนะี่ยอันนี้เห็นได้ชัดว่าความความไม่สงบใจเนี่ยมันไม่เกี่ยวกับเสียงเลยหรือเรอาจะรอเพื่อนเพื่อนไม่มาตามนัดนะนัดกันที่ห้างสรรพสินค้าหรือว่านัดกันนะที่ไหนสัก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 จะเรียนต่อไม่เรียนต่อนะจะอย่าไม่อย่าเนี่ยมันเสียงมันทะเลาะกันหรือว่าจะลาออกไม่ลาออกนะมันมีเสียงทะเลาะกันอยู่ในหัวในใจเนี่ยใครที่เจอแบบนี้ก็จะรู้สึกเลยว่ามันไม่สงบใจนะถึงแม้ว่าไม่มีเสียงรบกวนเลยแน่นอนว่าถ้าพูดถึงความสงบแล้วเนี่ยหลายคนคงไม่ได้ต้องการแค่ความสงบทางกายภาพนะแต่ต้องการความสงบใจ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 เสียงจากหมู่บ้านนะบางทีเขามีงานศพนะมีมหรศพนะก็ส่งเสียงดังเข้ามาถึงในวัดนะหลายคนพระความสงบเวลาอยู่ในห้องแอรนะ์แต่ว่าก็ต้องออกมานะออกมาเพื่อทำงานเพื่อเจอผู้คนนะพอเจอเสียงรบกวนเข้า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 อย่างที่เล่าเนี่ยนักปฏิบัติธรรมไปเข้าคอสนะสงบมากนะตั้งแต่เช้าจดเย็นพอคอสยุตินะจบลงมาจากศาล า, าปฏิบัติธรรมจะขับรถกลับบ้านพอให้รถของตัวเองเนี่ยนะออกไม่ได้เพราะว่ามันมีรถอีกคันหนึ่งจอดซ้อนก็โกรธ น, นะ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 มันก็ไม่ทะลุต่อมาทีา่ใจของเราไดนะ้อย่างที่บอกไว้แล้วว่าเสียงจริงมันไม่เป็นปัญหานะปัญหาคือใจที่ไม่ชอบเสียงนั้นนะใจที่ไปทะเลาะเบาแววงกับเสียงนั้นนะหรือว่าที่เล่าเรื่องหลวงปู่บุตรานะที่ท่านเตือนลูกศิษย์ว่าเนี่ยอย่าหูวไปรองเกีย้ยนะนะ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 นะได้อ่านรับรู้ข้อมูลข่าวสารนะข่าวเครื่องบินตกนะหรือว่าหุ้นตกนะหรือว่านักการเมืองทะเลาะ ก, กันนะให้สัมภาษณ์นะอย่างไม่มีเหตุ ม, มีผลเราฟังก็ใจกระเพื่อมสักพักนะก็รู้ทันนะมันก็วางได้ความสงบชนิดนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เรา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 เคยมีนายตำรวจท่านหนึ่งนะประมาณสักสามสิบสี่สิบปีที่แล้วเนี่ยไปหาหลว ง, งพ่อชาที่วัดหนองประพง์แล้วก็บนระบายมีความทุกข์มากในที่ทำงานเพราะว่าตัวเองนี่เป็นคนซื่อสัตย์สุจริตนะแต่ว่าเจ้านายแล้วลูกน้องนี่นะไม่ค่อยซื่อสัตย์เท่าไหร่เจ้านายก็กันแกล้งนะ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 หลวงพราชาก็ชี้ไปที่ก้อนหินที่หน้ากุติถามว่าเห็นก้อนนั้นเห็นก้อนหินก้อนอนนั้นไหมเห็นครับหนักไหมหนักครับแบกไหวไหมแบกไม่ไหวแล้วครับเออถ้าไม่แบกก็อย่าแบกมันนะพอพูดแค่นี้เนี่ยนะจตุท่านั้นก็ได้สติเลยนะก็คือได้คิดเลยนะว่าไอ้ที่ทุกเนี่ยไม่ใช่เพราะปัญหาไม่ไม่ไม ที่ทุกเนี่ยไม่ใช่สาเหตุที่ทําให้ทุกเนี่ยไม่ใช่เพราะปัญหามีมากเจ้านายกั่นแกล้งนะแต่เป็นเพราะไปแบกปัญหาต่างหากปัญหาเนี่ยทําให้ทุกแต่เพราะแบกปัญหาต่างหาที่ทําให้ทุกใจนะก็เหมือนก้อนหินนะก้อนหินเนี่ยถ้าไม่แบกมันก็ไม่ทุกนะไม่เหนื่อยแต่เพราะแบกเสีมันยังทุกแล้วเนี่ยเมื่อทุกแล้วทํำไมถึงแบกก็เพราะไม่รู้ตัวแต่ถ้ามีสติรู้ทันปุ๊บนี่มันวางเลยนะ เพราะฉะนั้นการมีสติรู้ทันนะความคิดและอารมณ์เนี่ยมันเป็นปัจจัยสำคัญมากที่ทำให้เราได้พบความสงบใจนะอันนี้เราสงบเพราะรู้ครานี้การรู้เนี่ยนะมันรู้ได้ด้วยสองอย่างนะคือหนึ่งรู้ด้วยสตินะสองรู้ด้วยปัญญาปัญญาที่นี็หมายถึงการเข้าใจความจริงนะการเข้าใจความจริงก็มีหลายระดับนะ อเช่นเข้าใจความจริงของโลกธรรมโลกธรรมแปดนะรู้ว่ามีลาบนะกับเสื่อมลาบมันคู่กันนะได้ยศกับเสื่อมยศนี่มันคู่กันสารเถื่อนกับดินทานี่มันคู่กันนะนะเมื่อมีแล้วนะก็ต้องหมดนะเมื่อเจอก็ต้องจากเมื่อพบก็พรางนะมันไปคู่กันเสมอมันกับขวากับซ้ายหรือว่า หน้ามือกับหลังมือเมื่อรู้ความจริงเช่นนี้เนี่ยนะเวลาเจอคนเขาชมก็ไม่ได้เลงนะเวลาเขาตำหนิ ก, ก็ก็จะไม่ทุกข์นะอันนี้พ่อเว่าเป็นธรรมดาเวลาถูกนินทานเนี่ยนะแทนที่จะโวยวายนะก็เฉยเพราะรู้ว่าไม่มีใครที่ไม่มีไม่ถูกนินทานในโลกนี้นะทำก็ถูกนินทาน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 ถึงนักปลอเป็นทุกข์แล้วจะแบ่งมันไปทำไมนะการรู้ความจริงแบบนี้เนี่ยทาให้ไม่ยึดติดถือมั่นนะไม่ยึดว่านี่เป็นของเรานะไม่ยึดว่าตัวกูของกูเนี่ยพะฉะนนเวลาของหายนะหรือว่างานไม่สำเร็จนะไม่เป็นไปตามแผนก็ไม่ได้ทุกข์อะไรพอรู้ว่ามันไม่มีอะไรที่จ ะ, ะบังคับบัญชาอะไรได้นะ เวลาเจ็บป่วยก็เหมือนกันเวลาแก่ก็เหมือนกันนะเพราะรู้ว่าร่างกายไม่ใช่ของเรานะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเป็นแก่นะก็ไม่ทุกข์เพราะไม่ได้ยึติดมันตั้งแต่แรกนะไอ้ความรู้นะด้วยปัญญาเนี่ยมันทําให้ปล่อยวางได้นะอาจจะเผลอยึดแต่พออ่าได้สตินะเกิดปัญญาขึ้นมามันก็วางนะหรือว่าบางคนเนี่ย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 แต่สำหรับอุถุชนอย่างพวกเราเนี่ยนั้นการที่จะเห็นความจริงแบบทะลุปลุกปลอมแับนี้ก็เป็นเรื่องยากนะแต่ว่าการที่เราได้เห็นความจริงแบบประพิมประพายอยู่บ้างนะเช่นได้เห็นความจริงเรื่องโลกธรรมแปดนะมันช่วยเตือนใจเราหรือว่าเตือนใจเราอยู่เสมอว่าเนเรามีความแก่เป็นธรรมดานะจะลดความแก่ไปไม่ได้เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะลดความเจ็บไข้ไปไม่ได้ เรามีความตายเป็นธรรมดาจุลปนความตายไปไม่ได้เราจะต้องพัดภาคจากของรักของชอบใจทั้งนั้นการเตือนนะเตือนใจตัวอย่างเงี้มันทําใหนะ้เวลาเจอเหตุการณ์ที่มากระทบกายนะทําให้เจ็บป่วยหรือว่ามากระทบทรัพย์สมบัติทําให้สูญหายพัดภาคไปนะใจก็ไม่ทุกข์นะมันก็ไม่มีความเศรา้าโศกเสียใจหรือว่าความโกรธแค้นที่จะมารบกวนจิตใจให้ ให้ว้าวุ่นได้นะอันนี้ก็เป็นความสงบนะเพราะรู้นะรู้ด้วยปัญญานะการรู้ด้วยปัญญาเนี่ยจะรวมไปถึงว่ารู้ว่าไอสิ่งที่เรียกว่าตัวเราเนี่ยนะที่จริงเนี่ยมันเป็นแค่สมมุตินะมันไม่มีอะไรนอกจากกายกับใจนะมันไม่มีตัวเรานะหรือไม่มีอะไรที่จะยึดว่าเป็นเราได้เลยเพราะฉะนั้นเวลากายปวด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 พระหนุ่มๆ น, นี่หมดสภาพไปแล้วหลวงปู่ท่านอธิบายว่าเนี่ยนะร่างกายของฉันนี่ก็สักแต่ว่านะมันประกอบด้วยดินน้ำไฟลมเวลาเจอยาเบือ่อยาเมาเก็เป็นอย่างนี้แหละก็คืออาเจียนนะแต่ว่าใจมันไม่ได้โดนด้วยนะใจไม่ได้โดนยาเบื่อนะมีแต่กายที่โดนยาเบือ่อเพราะฉะนั้นใจใจก็ยังเป็นปกติได้นะมีอะไรเกิดขึ้นกับกายใจก็เป็นผู้ดูเฉยเนะ